สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยาพิบาลครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่21ิข้อ13บถึง18ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคนที่ปิดหูไม่ฟังเสียงร้องทุกข์ของคนจนตัวเขาเองจะร้องตะโกนแต่ไม่มีใครตอบของกำนันซึ่งให้ในที่รับตาย่อมขจัดโทสะ และสินบนรับรับก็กำจัดความโกรธเกรี้ยวได้เมื่อมีการปฏิบัติอย่างยุติธรรมคนชอบทำก็ยินดีแต่คนประพุติเชื่อบาตหวาดผวามนุษย์ที่หลงไปจากทางแห่งความเข้าใจจะพักอยู่ในที่ประชุมของคนตายคนที่รักความบันเทิงจะเป็นคนจนคนที่รักเล่าอางุ่นและน้ำมัน จะไม่มั่งคัง่งคนชั่วเป็นค่าไถ่คนชอบธรรมและคนอาธรรมเป็นค่าไถ่คนเที่ยงธรรมพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ก็ทำให้เราเห็นถึงคนชอบรมคนชั่วคนเที่ยงธรรมคนอาธรรมความยุติธรรมและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ พี่น้องครับในชีวิตของเราหนีไม่พ้นครับเราต้องเลือกสิ่งที่ดีเราต้องสกัดสิ่งที่ดีออกมาให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่ดีกว่าสกัดเพิ่มขึ้นให้กลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับพี่น้องครับคนที่ปิดหูไม่ฟังเสียงร้องทุกข์ของคนจนตัวเขาเองจะต้องร้องตะโกนแต่ไม่มีใครตอบ คนที่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนยากจนครับคนที่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนอ่อนแอไร้ที่พึ่งคนขัดสนคนยากไร้ถือว่าเป็นคนไม่ดีครับเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนที่ว่าไม่ใหญ่ดีไม่ให่ดีเพราะฉะนั้นตัวเขาเองนั้นจะถูกปฏิเสธจากคนอื่นๆในยามที่เขาขอความเมตตาอ้อนวอนและในขณะเดียวกันครับพระเจ้าก็รู้ว่าเขาเป็นยังไง และพระเจ้าก็จะปฏิเสธเขาเช่นเดียวกันครับด้วยเหตุนี้เราเองนั้นจะต้องดูแลคนยากจนคนที่ด้อยโอกาสคนที่ขัดสนคนที่อ่อนแอในสังคมเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตของเราให้เราเป็นคนที่จากคนไม่ใหญ่ดีให้กลายเป็นคนใหญ่ดีครับก็คือคนที่เห็นและเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นความรู้สึกของคนที่ตกทุกข์ได้ยากครับข้อ14 <c oughs> หลายหลายคนอ่านแล้วก็รู้สึกว่าพระคมภีสนับสนุนให้ติดสินบนแท้จริงไม่ใช่ครับข้อ14บด้บอกว่าของกำนันซึ่งให้ในที่รับตาย่อมขจัดโทสะและสินบนรับรับก็กำจัดความโกรธเกี้ยวได้เพีองครับอย่าลืมครับว่าสุภาษิตนั้นได้พูดถึงความจริงความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความชั่วร้ายการให้ของกานันคนที่รับก็มีความยินดี เพราะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทุกคนนั้นก็อยากได้ของกำนันนั้นนั้นและด้วยเหตุนี้เองนะครับเรารู้ว่าความฉุนเฉียวก็ระ ง, งับได้ครับความโกรกก็ระ ง, งับได้เพราะว่าผู้รับนั้นสัมผัสเพราะเนื่องจากว่าเขาได้นะครับให้เกิดความรู้สึกว่าคนให้เนี่ยมีความรักนะมีความห่วงใยนะอันนี้ก็คือของกำ น, นันนะในรูปของของกำนันนั้นก็ ยังเป็นบวกอยู่ครับภาพยังเป็นบวกอยู่แต่อีกอันหนึ่งครับก็คือการให้สินบนในที่รับการให้สินบนในที่รับนี้ก็คือจริงๆแล้วก็ผิดครับแต่ในโลกของความชั่วร้ายนั้นเราพบความจริงอย่างหนึงครับว่าการให้สินบนในที่รับก็สามารถผันแปรสถานการณ์พลิกนะครับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากคนโกรธเกรี้ยวก็นำมาซึ่งการยินดี ความชื่นใจพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่านี่ไม่ไม่ใช่เป็นการสนับสนุนการให้สินบนแต่เป็นการพูดถึงความจริงที่เป็นอยู่ในสังคมที่ชั่วร้ายนี้พี่น้องครับความเมตตากรุณานะครับก็สามารถปลดความเป็นประปักได้อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้เพราะฉะนั้นการรักศัตรูนี่คือคําสอนของพระเยซูครับการอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านเพื่อศัตรูของเรา นี่คือสิ่งที่พระมพีสอนเราแทนที่เราจะให้ศีลบนแต่เราจะต้องให้คําอธิษฐานเขาให้คําอวยพรเขาข้อ 15-16 ครับเล็งถึงการลงโทษความชั่วช้าขณะที่คนอธรรมนั้นจะยินดีอยู่กับความยุติธรรมครับพงนี้บอกว่าการปฏิบัติอย่างยุติธรรมเมื่อมีการนี้เกิดขึ้นครับคนชอบธรรมก็ยินดีแต่คนมาพึด ช, ชั่วหวาดผวาครับถามว่าทาไมถึงหวาดผวาครับ เพราะว่าเขาจะตกใจเมื่อความยุติธรรมเกิดขึ้นครับเพียงครับเราเห็นนะครับในบ้านในเมืองของเราเนี่ยเวลาที่คนอธรรมครองเมืองนะครับเราก็เห็นครับพวกเขาก็ทํากับบ้านเมืองนะครับอย่างแย่นะครับไม่ถูกต้องในขณะที่เมื่อคนชอบธรรมขึ้นมาครองคนชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้นะครับก็ตกใจกลัวครับเพราะว่าความยุติธรรมมาแล้ว พี่นครับเช่นเดียวกันครับการติดตามพระเจ้านะครับก็จะเป็นอะไรที่มีปัญญาที่สุดแล้วครับการติดตามพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้ปัญญาจะต้องมีระเบียบวินัยครับอย่าหันเหไปจากทางแห่งความเข้าใจนี้นั่นหมายความว่าเมื่อเราตั้งใจที่จะเป็นคนชอบธรรมนะครับต้องไปให้ถึงที่สุดครับเราจะต้องติดตามต่อไปเดินต่อไป บรรดาผู้ที่หยุดกระทําสิ่งดีและติดตามความโง่เขาคนเหล่านั้นจะเสียเวลาของชีวิตเขาครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เรียกว่าศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นเป็นทางที่มีปัญญาที่สุดครับและเราจะต้องอย่าละสายตาจากเป้าหมายนี้จากทางนี้นะครับ การจงใจหันหลังให้ทางแห่งปัญญาและความยำเกรินพระเจ้าจะส่งผลให้ถึงความตายครับเราเห็นนะครับคนโง่นะทอดทิ้งเพื่อนเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องที่มีปัญญาไปคบกับคนโง่ด้วยกันพี่น้องครับคนเหล่านี้ครับก็จะกลับกลายเป็นพวกเดียวกันกับคนตายครับเพราะว่าทางของคนโง่เขาทางของคนที่ไม่มีพระเจ้าก็นําไปถึงความตายต่อไปครับข้อ17ข้อ17นั้นเราพบว่า การรักความเพลิดเพลินนะครับก็จะนำตัวเองไปถึงความยากจนครับใครที่รักความบันเทิงก็จะเป็นคนจนคนที่รักเหล้าอางุ่นและน้ำมันก็จะไม่มั่งคั่งครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าการรักความเพลิดเพลินการชอบความสนุกสนานสะดวกสบายถามว่าใครไม่ชอบครับทุกคนชอบครับแต่ถ้าเรารักมันนะครับนั่นหมายความว่าเรากำลังมุ่งหาความเพลิดเพลินเนยะ ขอให้มั่นใจไว้ครับว่าเราจะพบกับความลาบากครับในบ้านปลายน้ํามันน้ําองุ่นนะครับหรือเหล้าอางุ่นก็คือการเฉลิมฉลองครับเวลาที่เขาเฉลิมฉลองเขาก็กินเหล้ากินเหล้าอางุ่นกันนะครับเวลาที่เขามีพิธีการอะไต่างๆเขาก็ใช้น้ํามันนะครับมาทามาออกงานนะครับมาเป็นเครื่องหมายของการเฉลิมฉลองนั่นหมายความว่า ทั้งเหล้าอางุ่นและน้ำมันนั้นเป็นทรัพยากรของเราเป็นต้นทุนของเรานะครับถ้าเราใช้โดยไม่ระมัดระวังในที่สุดก็จะพบกับความยากจนครับน้ำองุ่นหรือเหล้าอางุ่นและน้ำมันนั้นก็เป็นตัวแทนของการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันการเฉลิมฉลองที่เกินตัวตามเทศกาลต่างๆนะครับจึงไม่มีความจําเป็นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเฉลิมฉลองที่เกินตัวนะจัดงานต้องทำให้ใจนะ เอาหน้าไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นครับก็จะทำให้เงินทองหมดไปเพราะฉะนั้นจงรู้จักประมาณตนในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับข้อสุดท้ายในวันนี้ก็คือการที่คนธรรมนะครับจะกลับกลายเป็นมาช่วยเหลือคนชอบธรรมพ่าพีอ่านแล้วอาจจะงงนิดหนึ่งนะครับผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคนชั่วเป็นข้าไถ่คนชอบธรรม และคนอธรรมเป็นค่าไถ่คนเที่ยงธรรมเปลี่ยคำตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องการที่คนอธรรมจะช่วยคนชอบทำแต่หมายความว่าคนชั่วร้ายที่เป็นสาเหตุทำให้คนชอบทำตกอับตกรกรรมลาบากในที่สุดแล้วคนอธรรมเหล่านั้นครับคนชั่วร้ายเหล่านั้นเนี่ยจะกลับกลายมาเป็นคนที่พบความยากลำบากเองไปถึงความลาเคงไปถึงความหายนะเอง ในกครแนนดูกันครับก็เป็นการปลดปล่อยนะครับในที่นี้หมายถึงว่าเป็นค่าไถยเป็นการปลดปล่อยคนชอบธรรมให้ดีขึ้นให้เป็นอิสระเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนชอบทำนั้นจะไม่ต้องทนทุกข์เพราะเหตุคนอธรรมอีกต่อไปเพราะคนอธรรมนั้นมาถึงความไหายาณ์เองแล้วนี่ครับคือคําอธิบายของพระกัมปีตอนนี้อยากให้พี่น้องได้ทบทวนนิดหนึ่งครับคําสอนวันนี้ในส่วนตัวแล้ว นะครับดีมากสําหรับผมเพราะว่าทําให้เราเห็นชัดครับว่าอะไรเป็นความชั่วร้ายอะไรเป็นความอธรรมอะไรเป็นคนชอบธรรมอะไรเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์และการปฏิบัตินะครับเราอยู่ในฝ่ายที่บริสุทธิ์เราอยู่ในฝ่ายที่ชอบธรรมเราก็จะได้รับผลที่ดีขอพระเจ้าช่วยเราครับให้เราแสวงหาความชอบธรรมนะแสวงหานามัตยของพระเจ้าแสวงหาพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงประทาน สิ ồng, hay. ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้อเมน